เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สี่วันที่ห้าปฏิบัติแบบไหนในเวลาใดจึงเรียกว่ารู้อุปาทานขันเกิดดับออกจากที่ทำงานใกล้เที่ยงฉันรู้สึกโปร่งเบาเหมือนออกปลีกวิเวกเมื่อเดินก่อนอีกครั้งแม้จะเป็นเวลาสั้นกว่ากันมากแต่ก็เป็นความรู้สึกว่างจากภาระว่างจากความผูกพันกับใครๆ รักพร้อมจะภาวนาเต็มที่เหมือ น, อนกันระหว่างขับรถฉันคุ้นคิดเกี่ยวกับสมาธิสี่ประเภทไปด้วยประเภทแรกเพื่อเสพสุขในฌานประเภทที่สองเพื่อยาณทัศนะโดยอธิษฐานกลางคืนเสมอกลางวันประเภทที่สเพื่อสติสัมปะชัญญะโดยรู้ความเกิดดับของเวทนาสัญญาและความตรึกนึก ประเภทที่สเพื่อล้างกิเลสโดยเฉพาะโดยรู้ความเกิดดับของอุปาทานขันห้าซึ่งสำหรับประเภทสุดท้ายนี้แน่นอนว่าก่อนจะทำจนเกิดสมาธิได้นั้นต้องมีความเห็นเกี่ยวกับอุปาทานขันห้าที่ถูกต้องชัดเจนเป็นหัวขบวนนำซะก่อนฉันผ่านประสบการณ์สมาธิสามประเภทแรกมาด้วยความมั่นใจว่าใช่ ส่วนสมาธิประเภทที่สเวลานี้ยังไม่แน่ใจนักว่าในทางปฏิบัติเข้าใจหรือเข้าถึงลึกซึ้งเพียงใดหากดูเผินๆแล้วสมาธิประเภทที่สามนั้นใกล้เคียงกับสมาธิประเภทที่สี่มากต่างกันอย่างสำคัญคือในสมาธิประเภทที่สามนั้นมีการดูความตรึกนึกอยู่ด้วยความจริงอาการตรึกนึกก็เป็นส่วนหนึ่งในสังขารรัันนั่นแหละ แต่น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าท่านยกมาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรรู้โดยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนั่นยอมส่องว่าสมาธิแบบที่สามยังอาจมีความคิดธรรมดาธรรมดาแบบเป็นตัวเป็นตนได้อยู่ซึ่งฉันประจักษ์แล้วว่าถ้าสังเกตเท่าทันทั้งความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอาการตรึกนึกเรื่อยๆในที่สุดอาการตรึกนึกเรื่องข้างนอก จะค่อยๆสงบลงเหลือแต่เพียงตรึกนึกถึงลมหายใจเท่านั้นความต่างอย่างสำคัญระหว่างการประกอบสมาธิเพื่อมีสติกับการประกอบสมาธิเพื่อล้างกิเลสจึงน่าจะอยู่ตรงองค์ประกอบในการเข้าสู่สมาธิสำหรับสมาธิเพื่อมีสติสัมปชัญญะอาจจะยังมีความตรึกนึกได้อยู่แต่เมื่อกล่าวถึงสมาธิเพื่อล้างกิเลสแล้ว จิตควรอยู่ในลักษณะที่เป็นสติตั้งมั่นสามารถรู้ความเกิดดับได้โดยไม่ต้องตรึกนึกหรือตั้งใจว่าเราจะเห็นสิ่งนี้เกิดเราจะเห็นสิ่งนี้ดับจากประสบการณ์ที่เคยมีสมาธิสงบนิ่งในแบบอิ่มสติรู้เห็นลมหายใจและอิริยาบถเองโดยไม่ต้องบังคับฝืนหรือกำหนดเพ่งฉันก็พอเข้าใจแง่มุมนี้ได้ แต่หากไม่เคยผ่านประสบการณ์ไม่เคยมีสภาวะจิตที่เป็นสมาธิมาก่อนก็คงยากจะเข้าถึงสรุปรวบยอดคือจิตที่จะรู้ขันควรมีความสงัดจากรกามไม่มีความฟุ้งซ่านและเมื่อรู้ขันก็ไม่ควรมีลักษณะตรึกนึกเป็นตัวนำฉันมาถึงวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงจากไหนขับดุดุยเข้ามาอย่างนั้นเองเห็นว่าสงบเป็นสัปปายะแวดล้อมด้วยขุนเขาและความร่มครึมของพฤกษพันกะจะขออาศัยความสงบของสถานที่นั่งสมาธิสักสองสามชั่วโมงแล้วก็จะลาไปเช่าโรงแรมในตัวเมืองชนบุรีเพื่อค้างคืนจากนั้นรุ่งเช้าค่อยคิดต่อว่าจะเอาอยัางไง เลือกศาลาว่างหลังเล็กที่เห็นทัศนียภาพกว้างไกลจากมุมสูงมองแล้วจิตเปิดกว้างสบายชมวิวห้านาทีก็ปิดตาลงกำหนดสติรู้ว่าลมกำลังออกหรือเข้านับได้สิบลมก็เลิกนับเหลือแต่สติกำนดอยู่เห็นลมหายใจแสดงอนิจจังอย่างชัดเจนเข้ามาแล้วสุดลมก็ต้องออกไปเป็นธรรมดา คืนกลับไปรวมกับอากาศธาตุภายนอกร่างเพียนประคองความรู้อยู่เช่นนั้นกระทั่งความคิดนึกสงบตัวลงมีปีติมีความสงบกายสงบใจและตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างอ่อนอ่อนเมื่อวูบว่าไปคิดฟุ้งเรื่องนอกลมหายใจก็ดึงกลับมาใหม่จนกลายเป็นสภาพเป็นเหมือนหินใหญ่ที่วางทับแผ่นดินนิ่งมั่นคง ที่ตรงนั้นเมื่อจิตจะเริ่มเคลื่อนก็เท่าทันและเห็นเปรียบเทียบภาวะต่างระหว่างตั้งมั่นเป็นสมาธิกับจิตสามัญที่ไหวไหวได้เห็นว่าสมาธิจิตก็ต้องเสื่อมลงเป็นธรรมดาแล้วเกิดความวางเฉยในจิตที่ตั้งมั่นรู้ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นอยู่นั้นพอเห็นชัดว่าสติมั่นคง ห ล, หลักรู้แบบที่พระพุทธเจ้าให้รู้ในอาณาปานสติคือมีความรู้ทั่วถึงว่าเรากําลังหายใจออกหรือหายใจเข้ากําลังหายใจยาวหรือหายใจสั้นฉันก็พิจารณาว่าขณะแห่งการหลับตาทำสมาธินี้จะสามารถพิจารณาอุปาทานขันได้อย่างไรคําตอบก็ผุดขึ้นทันทีว่าตั้งแต่ทําสติรู้ลมหายใจอย่างเดียวนั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้รู้รูปรขันแล้วเพราะลมหายใจก็คือธาตุลมธาตุลมก็คือรูปรขันนั่นเองนอกจากนี้ยังประจักษ์แจ้งอีกว่าขณะมีเพียงสติรู้ว่ากําลังหายใจออกหรือหายใจเข้าอยู่นั้นยังเป็นช่วงที่มีอุปาทานอยู่ว่านี่ลมหายใจของเราถ้ารู้ชัดเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจ ก็ยิ่งรู้สึกทีเดียวว่าเราคือลมหายใจลมหายใจคือเราเช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าเล็งอยู่ว่าลมหายใจเป็นอัตตาต่อเมื่อกำหนดรู้ว่าลมหายใจเข้าแล้วต้องออกเป็นธรรมดาเมื่อนั้นอุปาทานจึงหายไปเหลือแต่จิตที่อิจระจากอุปาทานตั้งมั่นอยู่ เมื่อความเบิกบานทวีตัวขึ้นตามความนิ่งประณีตของจิตลมหายใจก็เหมือนลดความสำคัญลงมีตรภาวะสุขโดดเด่นอยู่ฉันก็พิจารณาสุขเวทนานั้นเพิ่งเห็นชัดเดี๋ยวนี้เองว่าเมื่อสติเข้าไปรู้เวทนาในวาระแรกจะเกิดความรู้สึกว่าสุขนั้นเป็นของเราทันทียิงแนบเข้ารู้ชัดเท่าไหร่ ก็ยิ่งกลายเป็นความรู้สึกว่าเราคือสุขสุขคือเรามากขึ้นเรื่อยๆฉันได้คำตอบกับตนเองอย่างแจ่มชัดทันทีว่าจะพิจารณาขันอย่างไรขันไหนกำลังปรากฏเด่นก่อนก็ให้ดูขันนั้นก่อนขันไหนกำลังทำให้รู้สึกว่าเป็นเราก็ให้ตามรู้ขันนั้นไปเรื่อยจนกว่าจะเห็นความแปรปรวนของมันเองเมื่อเห็นความแปรปรวนแล้ว ก็พิจารณาตามจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วย่อมถึงว่าระดับลงเป็นธรรมดาไม่น่าหยุดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราการพิจารณาขันต้องทำไปเรื่อยๆไม่ใช่เห็นขันเกิดดับครั้งสองครั้งแล้วจะบรรลุมรรคผลแต่ต้องเห็นซ้ำไปซ้ำมาและแม้ขันที่ละเอียดประณีตเห็นยากรู้ความเกิดดับยากก็ต้องรู้ให้ครอบคลุม เพราะขันใดไม่ถูกรู้ขันนั้นย่อมเป็นที่แอบแฝงเร้นซ่อนเป็นฐานที่มั่นของอุปาทานอยู่นั่งสมาธิรอบนี้ฉันกำหนดดูเพียงรูปขันและเวทนาขันซึ่งจะว่าไปก็เป็นของเคยเๆอยู่แล้วตั้งแต่สองเดือนแรกฉันนั่งดูด้วยความเพลิดเพลินกระทั่งเห็นว่าฉะเกิดความยินดีในสุขอันเกิดจากการนิ่ง ก็ลุกขึ้นเดินจงกรมกำหนดทางเดินเป็นเส้นตรงบนพื้นดินบริเวณนั่นเองเมื่อรู้เท้ากระทบแปะแปะแปะไปเรื่อยกระทั่งจิตตั้งมัน่นไม่วอกแวกไปทางอื่นฉันก็พิจารณาว่าอย่างนี้จะรู้ขันได้อย่างไรก็ได้คําตอบจากความรู้เดิมคืออิริยาบทเดินทั้งหมดนั่นแหละคือรูปรขัน เพราะอิริยาบถเป็นรูปชั่วคราวที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุดินน้ำไฟลมหากเห็นอิริยาบถชัดโดยไม่มีความรู้สึกในตัวตนนั่นก็ได้ชื่อว่าเห็นรูปประขันแล้วนั่นเองรูปประขันที่อยู่ในอิริยาบถเดินมีความไม่เที่ยงพอถึงสุดทางก็ปรากฏลักษณะเป็นรูปประขันที่อยู่ในอิริยาบทยืนเดินไปเดินกลับอยู่ร่วมชั่วโมงก็เกิดสติอย่างใหญ่ เห็นอาการไหวยกขึ้นเหยียบลงเห็นอาการกรอกตาวอกแวกเพราะมีสัตว์มาล่อความสนใจเห็นอาการกระเพื่อมขึ้นลงของเนื้อช่วงอกลงไปถึงท้องตามลมหายใจเข้าออกทุกท่วงทีทุกขยับทุกกระดิกปรากฏเป็นของเกิดแล้วต้องดักชัดในสติอย่างใหญ่นั้นเช่นเดียวกับที่อบรมไว้แล้วฝึกซักซ้อมไว้แล้วตั้งแต่ครั้งรู้ลมหายใจ ได้ความรู้อีกประการหนึ่งคือการเห็นขันนั้นมีทั้งหยาบและละเอียดแปรไปตามคุณภาพของสติเป็นการเดินจงกรมที่ยาวนานมากยิ่งเดินร่างกายยิ่งเหมือนอ่อนยุนคล้ายเป็นเครื่องผลิตความสุขจะ ก, ก้าวเดินหรือย่างเหยียบล้วนเข้าที่เข้าทางคดีเป็นสุขชัดไปหมดไม่เกรง็งไม่เมื่อยไม่ล้าเลยแม้แต่นิดเดียวที่ตรงนั้นฉันก็ดูสุขขเวทนา อันเกิดจากอิริยาบถเดินดูอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงกระทั่งเห็นความไม่เที่ยงคือเมื่อเหยียบเมื่อย่างแล้วเกิดความติดขัดกายเริ่มอุทธรขอพักเปลี่ยนอิริยาบถซะบ้างฉันก็กำหนดรู้ว่านั่นคือทุกขเวทนาอันเนื่องด้วยกายทุกขเวทนานั่นเองคืออนิจจังของสุ ข, ขเวทนา ขณะกำลังเดินเพลินๆฉันก็ผุดความคิดเหมือนนึกถึงอะไรอยู่อย่างหนึ่งแต่ก็สะดุดหยุดลงกระทันหันเพราะได้ยินเสียงเรียกโยมพอหันไปทางต้นเสียงก็พบว่าเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในวัดอายุอานามน่าจะอยู่ในช่วงวัยขึ้นด้วยเลขสองแต่ก็ดูสงบสำรวมสมกับเป็นพระดี บางทีเราเห็นใครปราดเดี่ยวก็รู้สึกว่าเขาเหมาะหรือไม่เหมาะกับยูนิฟอร์มอย่างเช่นตำรวจจะเหมาะกับเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชถ้าดูเคร่งครัดเอาจริงเอาจังแพทย์จะเหมาะกับเสื้อกาวถ้าดูอารีมีเมตตาและปัญญามากแต่สําหรับพระจะเหมาะกับจีวรถ้าสงบสํารวมแบบไม่ได้แกล้ง